จะเป็นควาอยากเป็นธรทานะเมื่อกี้ก็พาพวกเราสวนะ ด, นาสสดนะบวดกาตลดรับน้ำสูตรนะเป็นประสูตรที่ทำให้เป็นเจ้าวิชีมันรู้เป็นพระราหันนะฟังไปแล้วรู้สึกง่ยายนะวิชีบตหรือว่าในแต่ละวันมันรู้สึกว่ามันมีเรา อยู่แท้ตลอดเวลาเลยมีเราเป็นคนทำมีเราเป็นคนพูดมีเราเป็นคนคิดมีเรารู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าความเป็นเราเนี่ยนะบางทีมันมันก็เป็นเราคนเดิมไปแล้แต่มันเป็นเราตั้งแต่เด็กเป็นเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเราเป็นคนวัยกลางคนเป็นเราเป็นคนที่แก่มากขึ้น มันก็ยังมีความรู้สึกเป็นเราเหมือนแต่มันเปลี่ยนไปตามสถานภาพเหมือนกับต้นไม้เมื่อเราปูกกันไม้ต้นหนึ่งอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มงอกไปถึงตอนที่มันโตออกดอกออกผลก็คือต้นไม้ต้นเดิมความรู้สึกของเรามันก็เป็นแบบนั้นนะหรือบางทีมันก็มีความรู้สึก ความเป็นเราที่เรียกว่าข้ามภกข้ามชาติมันก็ยังรู้สึกอืเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงพระเจ้าท่าแยกแยกให้เราเห็นว่าเอ็กความที่เราสําคัญว่ามันเป็นเราอ่ะมันคือส่วนประกอบที่มันประกอบกันเนาะในห้าอย่างรูปเวทนานนสัญญาสญังขารยีญาณมีใครไม่เข้าใจตรงนี้นะ มีใครไม่เคยไม่เค ย, เคยฟังไม่เคยอ่านเรื่องนี้นะเรื่องขันห้ามีนะกี่แล้วนะรูปนะรูปคืออะไรการภาษาง่ายง่ายก็คือร่างกายแต่ร่างกายบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นรูปมันมันก็ละเอียดกว่าร่างกายข้างหน่ยแต่พูวง่ายง่าเข้าใจก็คือร่างกายสิ่งที่ จับต้องได้นะแต่บางทีรูปมันก็ละเอียดกว่านั้นเพราะที่จริงมันคือธาตุดินน้ำลงไฟเช่นงหายใจเนะี่ยเราจับไม่ได้นะแต่เรามันรู้สึกได้อันนี้ก็เป็นรูปอย่างหนึ่ง น, นะมหายใจหรือว่าเวลาเราหรือว่าความร้อนเนเช่นอุณหภูมิปกติของมนุษย์ประมาณ37องศาเนี่ยความร้อนนี่ก็เป็นเรื่องของรูปความหนาวก็เป็นเรื่องของรูป หรือความรู้สึกที่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายเช่นปวดหิวอะไรแบบนี้ไม่สบายทางร่างกายเนี่ยคือรูปนั้นนะรูปบางอย่างเราจับต้องได้แต่รูปบางอย่างมันเป็นความรู้สึกนะเช่นความร้อนความหนาวความหิวหรือว่าลมที่มันขึ้นมันลงอะไรแบบี้หรือลมลมหายใจหรือลมในท่อหรือลมทางถาวรต่างๆอันนี้คือรูป ซึ่งรูปเนี้ยมันคือสิ่งที่มันประกอบกันนะโดยโดยธาตนะุเนาะพวกเราก็มีธาตุทั้งสี่เหมือนกันแต่อาจจะมีส่วนประสมที่แตกต่างกันบ้างตามอาจจะตามบรรทุกกรรมตามอาหารที่เราทานหรือตามโครคภัยไข้เจ็บที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่คือรูปท่านก็ให้เรามองเห็นนนะัเนี้ยรูปมันคือสิ่งที่ เราบังคับได้หรือเปล่าบังคับไม่ได้ใช่อืมมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันก็เป็นไปไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เรียกว่ารูปมันแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นนะรูปมันแสดงความเป็นทุกข์มันทุกข์นะคืออะไรเช่นเราหายใจเข้ามันจะตั้งให้อยู่แต่หายใจเข้าทำไมเราต้องหายใจออก หรือวเวลานอนอาจจะรู้สึกสบายแต่นอนนานๆไปมันก็ทุกข์หรือเรานั่ง <c oughs> เราว่านั่งเก้าอี้ก็สบายนะแต่นั่งเป็นนานๆก็ก็ไม่ค่อยสบายเหมือนเดิมละคือรูปมาแสดงความเป็นทุกข์ให้เห็นมันเพียนทุกข์แต่ตอนที่เราเราป่วยนะที่ต้องไปหาหมอนะี่ยมันทุกข์อยู่ตลอดเวลามันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันต้องกระดุกกระดิกเต็นหนั่งนิ่ง เหมันก็บ้อนหินก็ไม่ได้นะมันก็ต้องกระพริบตาต้องหายใจต้องขยับคือนะ้มันแสดงความเป็นทุกข์มันทุกข์ในในสภาพของรูปคือมันไม่สามารถที่จะคงอยู่ในสภาพเดินได้มันก็เลยต้องขยับมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนของเรานี่มันก็เป็นรูปนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรา ไปบังคับให้มันเป็นอย่างที่เราคิดได้อันนี้คือต้องดูเนาะส่วนใหญ่เวลาเราทุกข์ใจเนื่องจากรูปเพราะอะไรเพราะเราอยากให้รูปมันมันไม่ทุกข์เราอยากให้รูปมันเป็นสิ่งที่เราบังคับได้ใช่ไ้มเช่ น, ม, นมันป่วยก็อยากให้มันหายป่วยเนี่มันเป็นปุ๊กมากจนปวดขาก็อยากให้มันหายปวดขาอะไเนี่ย นี v v ่คือรูปเวทนาเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกสามอย่างนะคนเราตัดทั้งหลายมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์แล้วความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆเลยก็เฉยเฉยตลอดทั้งชีวิตเราอ่ะก็จะมีสามความรู้สึกนั่นบางครั้งก็รู้สึกสุขบางครั้งก็รู้สึกทุกข์บางครั้งรู้สึก เฉยไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาก็ต้องับไม่ได้น่ะสังเกตไหมแต่ละวันบางทีตื่นเช้าขึ้นมาก็ถูกเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องมีความสุขขึ้นมาเลยเพราะนอนอิ่มดีแต่บางวันตื่นเช้าขึ้นมาต้องรู้สึกทุกข์เลยมันเหมือนนอนไม่พอหรือว่าอาจจะฟันเยอะหรือว่าตื่นขึ้นมาก็ไปคิดว่าต้องไปทํางานแล้วเหรอทุกข์เลยอย่างเนี้ เดี๋ยวมันก็ตื่ขึ้นมาก็เฉยเฉยความรู้สึกในแต่ละวันนะมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นเพราะเราบังคับได้นะสังเกตไหมบางทีเราไปเจอหน้าใครสักคนบางทีเรารู้สึกมีความสุขที่เจอบางทีเจอหน้าใครสักคนที่เราบางทีไม่รู้จกักก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกมีความทุกข์หรือบางคนก็เฉยเฉย เดีอยไปดูต้นไม้บางต้นแล้วก็สุดก็สบายมีความสุขบางต้นมันก็เฉยๆเดี๋ยวบางต้องกลิ่นมันเหม็นก็อาจจะไม่ชอบเลือกไม่ได้นะอารมณ์ที่นี้จะเกิดขึ้นอสัญญานะความจําได้หมายรู้น่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นของมันเองเหมือนเราจะจําสมมติจะเรียนภาษาหรืออ่างนะบางทีก็จําได้แล้วมันก็อาจจะลืมไป เราเคยเรียนแล้วจําได้แล้วไม่ได้ใช้นานๆมันก็ลืมไปชื่อคนชื่อสิ่งของต่างๆหรืออดีตต่างๆที่เราเคยทำํำบางทีก็คิดได้บางทีก็เค้นเท่าไหร่มันก็คิดไม่ออกจําไม่ได้ก็มีนี่คือสัญญาที่มันก็ไม่เทียมมัเปลี่ยนแปลงไปสำคาญความนึกคิดปรุงแต่งสำคาญคือในที่นี้คือความนึกคิดปรุงแต่งคือ ที่จริงมันจะปูุงก็ปูุงของมันเองนะบางทีมันก็ไม่ปูุงของมันก็มีบางทีก็รู้สเฉยๆเคยไหมบางทีไปดูอะไรตั้งย่างนัะแล้วก็เฉยๆก็มีหรือบางทีอยู่เฉยๆไม่เห็นอะไรนะมันก็คิดของมันเองก็มีอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าคาดการไม่ได้นะบังคับไม่ได้นะบางครั้งก็คิดของมันเองบางครั้งมันก็มีคิดของมันเอง หรือคิดแล้วมันก็ต่อของมันเองหรือคิดแล้วมันก็จบของมันเองเลยนะนี่คือสำคัญส่วนวิญญาณนะวิญญาณไม่ใช่เหมือนวิญญาณในหนังนะวิญญาณคือการคือการรับรู้เรารับรู้อยู่หกช่องทางคือรับรู้ทางตาคือจากชุดวิญญาณรับรู้ทางหูรับรู้ทางจมูกรับรู้ทาง ลิงรับรู้ทาร่างกายแล้วก็รับรู้ทาใจเหมือนคล้ครช่องทางเหมือนประตูบ้านมันมีหกหกบานนะมันเข้ามาได้ทั้งหกประบานนี่คือการรับรู้ที่เราสัมพันธ์กับโลกภายนอกแล้วก็เราต่อไปสู่โลกภายนอกด้วยไอ้พวกนี้นคือมันประกอบกันเป็นชีวิตเนาะเป็นชีวิตอ่าเป็น เป็นรูปเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นนาฏสัญญาสคำคานวิญญาการมาปฏิบัติธรรมหรือที่จริงพุทธศาสนาที่ท่านสอนท่านสอนที่เรียนรู้เรื่องเรื่องขันหน้าเนี่ยหรือเรื่องกายใจเนี่ยมันจะทําให้เราพอเราเข้าใจเรื่องกายใจเราก็าจะอืมเข้าใจปีกอื่นตามไปเรื่อย เรามาเรียนรู้แบบไหนกายใจเนี่ยเริ่มต้นเนาะคือคนเราส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยสนใจกายใจตัวเองมันมักจะไปดูคนอื่นสังเกตไหมัางทีเราเห็นความคิดของคนอื่นเราเราสังเกตคนอื่นเนี่ยมันงาน่ายกว่าตัวเองนะก็คือเนาะอย่างเวลาเราคุยกับคนอื่นนะเราจะเด่วมากเวลาน้ำเสียงเขาไม่พอใจ เราจะเร็วนะแต่เวลาเราพูดแบบไม่พอใจเราจะไม่ค่อยถันนีแต่ถ้าใครพูดกับเริ่มแบบมือกีต์ใส่เราแล้วล่ะเนี่ยเราจะรู้สึกละเราจะเซนะนะฮะแต่เวลาเราไปพูดมือกีต์แบบไม่พอใจเนี่ยเราจะไม่ค่อยถันหรือเราเห็นคนอื่นเขาหงมื่อลอยเต้นดี๋ยวดูไหนั่งดูคนอื่นแล้วเขาดูมื่อเมื่อคนนั้นเมื่อเราดูได้นะดูจากแววตาดูจากความ ประโยชน์คือที่คือจากความที่เหม่อไม่ค่อยมีสมาธิเราสังเกตได้ง่ายแต่พอเวลาเราใจลอยเวลาเราคิดเวลาเราเหม่อเราจะไม่ค่อยรู้เพราเราจะไปอยู่ในอารมณ์หรืออยู่ในความคิดอยู่ในจินตนาการ น, นั้นๆนั้นสิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญคือเรามาฝึกตั้งต้นนะสิ่งสําคัญจะภาวนารูปแบบไหนก็แล้วแต่นนะ สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกให้มีสติจะด้ววิธีการอะไรก็ได้ให้มีสติ ค, คำว่ามีสติเนี่ยสติในการปฏิบัติธรรมกับสติทำโลกนะบงทีตา่างอย่างที่ทำโลกภาษาไทยเราใช้ว่าให้มีสติในขณะที่ขับรถมีสติจะได้ไม่ทำของเสียหาร สติแบบนั้นเหมือนทันสติแบบที่ว่าให้ระวังนะระวังนะให้มีความระวังตัวในการขับรถให้มีความระวังตัวในการเดินเนี่ยนะมันจะได้ไม่เกิดอุปัติเหตุแต่สติในทางธรรมะคือการที่เรารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรนะไม่ใช่เป็าระวัวงข้างนอกนะสติในทางปฏิบัติธรรมคือเป็นการ การรู้เป็นการรู้ตัวว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรหรือจิตใจมันมีอารมณ์หรือมีความคิดเกิดขึ้นอย่างไรสตินในทางขางือรู้ตัวคือง่าย ไ, ไม่ได้ไปรูข้างนอกก็เห็นข้างนอกอยู่แต่ก็กลับมาเน้นที่การรู้ตัวเราว่าอย่างตอนนี้เรานั่งรู้ว่ากาลังนั่ง แต่บางคนนั่งใช่ไหมจิตอาจจะคิดไปถึงบ้านได้ <c oughs> จิตอาจจะไปสงสัยพื้นที่อยู่กับสิ่งที่จะมาพูดเราก็ดึงตัวว่าการะดานหน้านะเนี่ยหรือวิธีเราบางที่ฝันให้หายใจคืออะไรหายใจนั่งอยู่ก็รู้ว่าหายใจเข้านั่งรู้นั่งอยู่ก็รู้ว่าหายใจออกนี่คือการรู้ตัวหรือถ้าแบบวิธีหอวงพ่อเทียนท่านก็ใช้ให้ขยับ ให้ขยับเขยื่นร่างกายให้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้นกําลังเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวเพื่อให้รู้อะไรรู้ร่างกายที่ปัจจุบันการที่เรารู้ร่างกายที่ปัจจุบันคือเหมือนเป็นการปลุกตัวเองให้ให้ไม่ไปอยู่ในอนดีตหรืออนาคตหรือไม่มีอยู่นอกตัวให้มันรู้ตัวการจิตสติคือนะ ทำให้เรารู้ตัวอยู่ที่ปัจจุบนะันเนาะทำงีนก็ได้นะในอีริยาบถที่เราใช้ประจำวันอะไรนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับทายอะไรนะหรือบางทีลรานั่งก็นั่งขยักตัวเองเหมือนเป็นการปุกปุกตัวรู้ขึ้นปุกปุกใจที่มันรู้ตัวนะทำแค่นี้มัจะได้รายยน มันจะได้สติแล้วก็ได้สมาธิกนะารฝึกนแบบเนี้ยได้ทั้งสติคือการรู้ตัวได้ทั้งสมาธิคือใจมันตั้งมั่นใจไม่หลงไปกับอารมณ์ต่างๆสมาธิจริงคือการตั้งมั่นนะ่ะไม่ใช่สมาธิคือสงบไม่คิดอะไรนะสมาธิจริงคือมันตั้งมั่นมันจะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธินะ สมาสติสมา ส, สมาธิที่ปัจจุบันแล้วมันจะเกิดสภาวะเป็นผู้ดูพอเราตั้งสติตั้งสมาธิไม่กับการเคลื่อนไหว ก, กับกรรมฐานอย่างใดยหนึง่งมันจะเกิดสภาวะที่ดูดูอะไรอย่างที่เราสวนผู้เจ้า บ, บอกนะการที่เราเห็นอย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีคำว่าเห็นแต่ถ้าพูดง่ายก็คือดูไล้าคล้ายกัน เรามีตาบาทีรเราก็เรียกว่าเราดูอยู่กำลังดูสิ่งนั้นหรือเห็นสิ่งนั้นใช่ไหมแต่อันนี้สติสมาธิมันเป็นเป็นตาในตาในที่นี้เห็นอะไรเห็นกายใจตาตเป็นจริงเรามีตานอกนะาที่ไปเห็นข้างนอกน่ไปดูข้างนอกแต่คราวนี้เราฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดตาในตาในในการเห็น เห็นร่างกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงนะพอเราเราาิ่มมีตาใหม่คือมีส ต, ติมีสมาธิเราจะเห็นสิ่งต่างมันเป็นแบบแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นอย่างเวลาเดินแต่ก่อนอะจะคิดใช่ไเรากาลังเดินแต่ถ้าเราเริ่มมีสตินะเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ที่เดินอะก็เป็นตัว ไอ้ท ja yeah, hey, mm ี่ร <that> <that> we <that> right ู้ว่ากำลังเดินที่เห็นว่ากำลัเดินก็โดนเนี่ยคือมันจะแย่เลยนะแล้วความรู้สึกความเป็นเราจะที่แต่ก่อนที่คิดว่าไอ้เราเดินนะมันรู้สึกเอ๊ที่มันเดินมันไม่ใช่เราที่เป็นอนัตตาคือจะเดินอย่างไนะเห็นหน้างกามันเดินหรือถ้าเราฝึกนเยอะนะตื่นนอนขึ้นมารู้สึกเลยไอ้ที่กำลังนอนอยู่เนี่ยมันคือใครมันคืออะไรสักอย่างที่มันอยู่ในท่านี้ แล้วก็มีความรู้สึกที่เกิดเรารับรู้ว่าเออมันอยู่ในท่านี้มันกำลังเป็นอย่างนี้หรือความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมันเกิดขึ้นก็เหมือนกันนะแต่ก่อนเราสึกเราเจ็บเราปวดเราหิวแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเนี่ยกายปวดกายเจ็บกายมันหิวเนี่ยมันจะความรู้สึกนี่ยมันจะเป็นเมื่อเรามีตาในคือมีสติมีสมาธิมันจะเกิดสวาระ ดูเห็นเห็นอะไรเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมัจเจ็บปวดเมื่อนหิวมีสติเป็นผู้เห็นอันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยจากการให้เราเห็นร่างกายเนาะอย่างเ๋วยวระพุทธาก็จะสอนเช่นเนี่ยเนนะี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเนาะใจเป็นคนรู้หรือคนเห็นเขาก็สึกเนะี่ยร่างกายเคลื่อนไหว จ่ยกมือจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราเป็นผู้เหมือนคอยดูมันคอยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูร่างกายเขาเขาทางานไปเรื่อยจะมีกายเคลื่อนไหวใจรับรู้หรือใจเป็นคนเห็นแล้วต่อไปมันจะมีความรู้สึกที่มันไม่ได้เห็นแต่ตายอย่างเดียวหรอกบางครั้งมันก็จะเห็นความคิดหรือเห็นความรู้สึก สุขทุกขไรเนะียมันผ่านเข้ามาเดินอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีอนะ้าดูกายเคลื่อนไหวอ้าไปคิดถึงที่บ้านนะหรือไปคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันจะคิดเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรนะคือมันจะรู้สึกอย่างไรไม่สําพันธถ้าเราเน้นเจอสติจริงๆเนี่ยความคิดจะคิดเรื่องอะไรจะดีหรือไม่ดีหรือจิตจะปุมแต่ง กุศลหรืออกุศลไม่สำคัญถ้าเราเจริญสติจริงคือแค่รู้ว่ามันคิดแค่รู้ว่ามันรู้สึกไม่ต้องไปให้ค่าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะแต่บางทีคนเรามันก็ส่วนใหญ่นะเราก็จะทุกว่าเราติดดีใช่ั้ยเวลาเราคิดไม่ดีนะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมกิเลสมันจะละเอียด คิดไม่ดีก็จะรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าแต่ก่อนปฏิบัติธรรมนะคิดไม่ดีก็ไม่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกเท่าไหร่นะก็เออแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วทำไมฉันต้องมาคิดไม่ดีแบบนี้ด้วยจะรู้สึกไม่ดีนะแต่จริงการภาวนาจริงเนี่ยไม่เอาดีไม่เอาไม่ดีไม่เอาถูกไม่เอาผิดแค่รู้ว่ามันคิดของมันเองเนี่ยดูแบบนี้นะที่แบบดูเป็นน้ำตาคืออะไร มันมันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะคิดหรือสื่อนะแต่มันเป็นของเองเช่นเราออกไปออกไปนอกนะสมมตตันเที่ยไปเห็นนี่มันอยากได้นะมันก็อยากได้ของเองนะมันเห็นแล้วมันก็เกิดความอยากเห็นอาหารอันนี้มันอยากกินนะความอยากมันเกิดขึ้นของมันเองนะหรือเดินอยู่ดี่อ๋อใจก็ลอยไปคิดถึงใครทุกคนถึงเรื่องอะไรก็อยากดูนะมันเกิดขึ้นมา มันเกิดของมันเองเราก็ไดเห็นเนะี่ยอันนี้ก็จะเรียกว่ามีสติมีสมาธิรู้ทันใจที่มันไหวพูดง่ายๆอย่างเรารู้กายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจมันไหวอหรือจะมาจะพูดยอ่ยอๆก็ได้นะเวลาฝึกเจอเจอสติแบบนี้นะอเรียกว่าเคลื่อนไหวนะกายเคลื่อนไหวก็ใจรู้หรือใจไหวไป ก็ใจรู้เคลื่อนไหวนะใจะรู้ด้วยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ถัดใจสําคัญจริงนะตอนนกกเนี้ยเวลาเราเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ว่าเราเอาใจเป็นอยู่กับการเคลื่อนไหวอย่าไปจ้องมาเคลื่อนไหวธรรมาดาสบายๆเป็นปกติแล้วก็เราก็คอยสังเกตคอยรับรู้มันนี่เรียกว่าเคลื่อนไหวแล้วก็ใ จ, ะจะรู้ ใจเคลื่อนไหวใจรู้แล้วว่าใจมันไหวออกไปไปคิดไปรู้สึกไปดูไปสนใจข้างนอกก็มีใจที่รู้ทันนะรู้ทันมาพอรู้ทันม้กนกุ้มนะมันจะกลับมามันจะไม่ไปต่อหรือบางทีมันบางทีใจไหลบางทีไม่ใช่ไหลแต่ข้างนอกนะไหลเข้าข้างในก็มีไหลเข้าในตึกรักใ ไม่อยากให้มันคิดก็พิงก็คลใช้แบบสร้างให้มันนิ่งๆอะไรเนียนะให้มันจิตเฉยอันนี้ก็เป็นการพิงข้างในนั้นเวลาใจมันไหลนะมันจะไหลสองทางไหลข้างนอกไหลข้างในเราก็เขียนเคยเคยไปสอนเราข้อเขียนตอนเร้อเขียน น, น, น, ย น, นั้นบวชใหมใหม่ หลวงพ้อคเขียนท่านนั่งอยู่ในกุฏิพ่อเขียบอกเวลาปินป่าเสร็จท่านกลับมานะ้าวบาตไว้ในกุฏิท่านนั่งกินผนางในกุฏิแล้วก็ชอบนั่งยอเหนือสร้างจัหวะในกุฏิปิดประตูปิดหน้าตา่างหลวพ่อเทียนท่านเดินไปหาที่กุฏิแล้วก็ถามอืาจารย์คนเขียนทำอะไรนละงพ่ะเขียบอกนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ทักนะเห็นข้างนอกรึเปล่า ไม่เห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับเพะ อ, อยู่ในห้องนะก็เห็นแต่ข้างในไม่เห็นข้างนอกแล้วก็เตียนก็ถามทำไงถึงจะเห็นก็ก็ได้เดินออกมาเปิดประตูหลังที่เปิดตัวไปแล้วพ่เตียนก็ถามเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับไม่ทาอย่างนี้นะแล้วก็เดินไปอื แม่อธิบายเนะ่ล้วพ่อเทียนเนี่ยแต่ก่อนสอนแบบแบบเซนมากไม่อธิบายแล้วพอเขียนก็ตอนแรกมันก็บอกว่ายังไม่เข้าใจแล้วก็ เ, เทียนมาสอนดอะไรแต่พอภาวนาไปจริงอ๋อค่อเข้าใจว่าอ๋อเห็นข้างนอ ก, เ ห, นนอกเห็นข้างในนะไม่ได้ไม่ได้ส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ไม่ไส่งจิตเข้าข้างานในนะสภาวะ การเห็นมันเป็นกการการเห็นก็ไม่ใช่ว่ากรนะกอบนั่นมันเป็นการเลยนะแต่เวลาจิตมันไหลออกไปข้างนอกก็รู้ทันจิตเพ่งเข้าข้างในก็รู้ทันะหรือเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายาทีมันเพ่งเกินไปก็รู้มันหย่อนเกินไปก็รู้วเวลาปฏิบัตินนะ บางทีมันก็ไม่ได้ปูกตลอดเดียวนะแต่ถ้าเราไปแบบอยากให้มันปูกตลอดมันจะเครียดแต่เราเดินติดเนาะก็ให้ทำแบบสบายๆแต่ให้มีความตั้งใจตั้งหน่อยในเบื้องต้น <c oughs> ตั้งใจคืออะไรอ่าตั้งใจก็จะรู้สึกตัวแต่ตั้งใจไม่ใช่เครเครียดนะต้องบางทีพอตั้งใจ บางคนมันไปเครียดเกินไปนะตั้งใจแบบสบายๆนะตั้งใจว่าตอนนี้เราจ ะ, ะจะรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวแต่รู้สึกตัวขณะที่เคลื่อนไหวบางทีมันก็ไม่อยู่กับตัวตลอดบางทีมันเผลอไปคิดเราก็รู้หลงไปเราก็รู้เอาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพามาฝึกกั น, นเช่นเนะี้ย เรื่องต้ น, นรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวทีละขณะทีละครั้งรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบทีละขณะเนาะแล้วบางครั้งอาจจิตมาเจะเพ้อไปคิดค่ะไม่เป็นไรแล้วก็รู้ทันมันเพ้อออไป แ, แรกๆเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจว่าทํำไมมันถึงคิดแค่รู้แบบนี้ก็รู้กายเคลื่อนไหว แล้วรู้ทันใจที่มันเกิดไปคิดแล้วก็ฝึกให้รู้ทันเช่นว่ารเราเคลื่อนไหวแล้วใจใมันเป็นเพ่งที่มือแต่เราเคลื่อนไหวแล้วใจเป็นเพ่งที่เท้าอันนี้ยแต่ว่ามันตั้งใจมากเกินไปให้ผ่อนให้มันพอดีมันจะฝึกแบบนี้ยมันจะเกิดสภาวะผู้รู้หรือผู้ดูเนี่ยมันจะชัดขึ้นการ ม, มีสภาวะผู้ดูหรือผู้รู้เนี่ย เป็นสิ่งสำคัญมากนะสิ่งสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีตัว น, นี้นะ จ, จะเจริญวิปปัตนาไม่ได้เลยจริงๆนะเจริญวิปปัตนาต้องมีสภาวะผู้รู้ผู้ดูตัว น, นีนะ้แต่ผู้รู้ผู้รู้ผู้ดูตัว น, นี้นะบางคนอาจจะอาจจะเป็นผู้รู้ที่อยู่ น, น, นานๆเพราะสมาธิม า, มาก หรือบางคนเป็นผู้รู้ที่เกิดขึ้าานกีลักษณะแล้วก็ดับทีลักษณะแล้วก็ดับเพราะกำลังสมาธิอนไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันเกิดบ่อยก็โอเคไม่ใช่ว่าผู้รู้เนี่ย็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนบางคนก็เป็นแบบนั้นแต่บางคนเกิดแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับแต่เกิดได้บ่อยไม่ใช่วันหนึงเจ็ดแค่ครั้งสองครัง้งไอ้แบบนั้นก็น้อยไปแต่เกิดบ่อยเท่าไหร่ก็ ก็ยิ่งดีเท่านั้นพอมาเกิดผู้รู้ผู้ดูมันเนี่ยมันจะรู้อะไรไปดูอะไรก็ดูร่างกายดูจิตใจมันดูร่างกายดจิตใจแบบที่มันเป็นธรรมดาไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วเราจะเห็นอะไรเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็สุดเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดเดี๋ยวก็ เคลื่อนไหวเดี๋ยวก็หยุดนิ่งอะไรน ะ, นะเดี๋ยวก็เจ็บปวดทั้งหลายมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ไดพ้พอเรามีผู้รู้เราจะเห็นไตรับของรูปของนามการมีการเห็นไตรับของรูปของนานะเรียกว่าเราเริ่มมีปัญญาแล้วคือเห็นความจริงของรูปของนามนะพอเราเห็นตรงเนี้นนยไอความรู้สึกที่ถ้าเราเห็นจริงนะ จิตมันจะฉลาดขึ้นฉลาดในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราต้องแบบเด็ยนเก่งอะไรแบบนั้นนะฉลาดคือมันจะดูไอ้ที่เราหลงคิดว่ามันเป็นเราเนี่ยมันก็บังคับไม่ได้นะพอเห็นแบบนี้บ่อยๆหรือเห็นว่ามันเป็นเราเนี่ยที่จริงมันมีแต่ความพุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงบีบคั้นอเรื่อยเนี่ยจริงมันจะคลายการยึดมั่นถือมั่นของันเองที่บอกว่า เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยมมันเป็นทุกมันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรเบื่อหน่ายในในการําคันผิดคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดคลายความกําหนับความกาหนับคือการไปหลงไหลไปยึดถือมันนะมันจะเกิดความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมันต้องเกิดสภาวะนี้นะ แต่ถ้าเราแค่อ่านแค่ฟังแค่คิดไม่เวีอนนัยต้องเห็นเห็นแบบซ้ำซ้ำซักซักนะเห็นไปบ่อยนี่แหละนะนั่นภาวนาที่จริงเนี่ยคือการเห็นไปบ่อยคือจิตมันดื้อเพราะเราก็ไม่รู้นะเราสะสมความเห็นคิดว่ากายใจเนี่ยมันเป็นเรามานือ้อจิตเขาปีชติ การมีสติก็คือเห็นตั้มในบ่อยว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเปลี่ยนแปลงของมันมันบังคับไม่ได้เห็นบ่อยอั น, นี้เรียกว่ามันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วมันจะพอแล้อง็เห็นคิดคล้ายๆเหมือนเรารู้ตัวเป็นมะเร็งนะแต่ก่อนจะเป็นมะเร็งนะนะมันสะสมสารที่เกิดมะเร็งมีตั้งกี่ตีใช่ไหมที่เราก็ต้องมารักษาให้ีโมีฉายดังสีหรือ โดยวิธีการในตละลัแต่มันก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยเวลาในการค่อยๆกินยาค่อยๆฉายแสนค่อยๆทําตามกระบวนการรักษาเนแบบี่ยกระบวนการรักษา จ, จิตใจให้หายความเห็นผิดก็คือนะี่ยเห็นบ่อยๆเห็นตามความเป็นจริงเนะมื่อเห็นตามความเป็นจริงจิตมันจะฉลาดตัวเองมันจะหายตัวเองนะไอ้ที่มันหายก็ไม่ใช่ว่าเราหายนะ แต่จิตมันฉลาดขึ้นมันก็เลยไม่ยึดถือเนี่ยอันนี้คือพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะความเป็นปกติความไม่เป็นอะไรคือสภาวะนิพพานที่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกไม่ใช่นามไม่ใช่กิจการของลูกของนามแต่เป็นสภาวะหนึ่งที่มันอยู่ตัดอห์แล้วก็อยู่ในนั้นนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้หยุด แต่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะสภาวะที่มันเป็นปกติเป็นสภาวะที่มันไม่เป็นอะไรมาก่อนมันมีอยู่มันเป็นสภาวะที่เที่ยงแทรลูกนางนะมันไม่เที่ยมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนแต่นิพพานนะมันเที่ยมันไม่ทุกข์มันมีแต่สุขแต่ก็ไม่ใช่ตัวตน คือลูกกับนางเนี่ยมันตกในของไตายักษนะทั้งสามการแต่นิพพานเนี่ยมันอยู่ในกฎของไตรยรักอยู่แค่อย่างเดียวคือไม่ใช่อตอัวตนแต่มันมันเที่ยวนะแล้วก็เป็นสุขนะสภาวะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกนิพพานนั้นประมาทสุขขงังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะแม้ร่างกายจะเป็นทุกข์นะ แต่ถ้าเราเข้าถึงที่ผานมันก็เป็นความสุขเห็นหน้ากายแก่มันดับไปเนี่ยแต่ใจก็ยังเป็นสุขเป็นปกติเป็นได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกนะจิตมันก็จะไปค่อยตามหน้านกายะหรือไปค่อยตามอารมณ์เรื่อยๆไปเนาะนี่คือง น, นพวกเราดูมาแล้วมันโชบตีขนาดไหนไม่รู้นะที่ ที่เรามาได้ยินเรื่องแบบเนี้ยเรื่องความไม่ใช่ตัวตนเนาะอ่าเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นภูมิเนีายเพราะว่ามาก็ไปดูนะในศาสนาอื่นหรือในวัฒนธรรมอื่นที่มันทําอะไรทุกอย่างคือเป็นตัวตนมันยากมากที่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนเน่ะมันทําอะไรก็เพื่อเพื่อสนองตัวตนนะหรือ ทำให้มันเกิดความสุขก็เป็นเราเป็นผู้สุขซึ่งศานาคือไม่ได้แม้แต่สุขนะก็ไม่ได้เอานะทุกข์ก็คือเห็นทุกข์ก็คือเห็นอะไรต่างก็คือเห็นมันเป็นสิ่งที่มันก็คิดเอาไม่ได้นะแต่ก็ลองทําดูนะแล้วถ้าเราทําเยอะๆเราจะรู้สึกได้เองว่า จิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะความโลภความโกรธความโลย์มก็เบาบางไปลดน้อยลงไปนะจะเห็นสิ่งที่มันหลงในชีวิตของเราเยอะมากนะแต่เราเห็นมันหลงแต่มันหลอกไม่ได้คืออะไรเห็นกิเลสบ่อยมากนะเวลาปฏิบัติจะเห็นกิเลสเยอะแต่เห็นกิเลสเยอะ กิเลสกับหลอกไม่ได้มันเป็นแบบนั้นนะแต่แต่ก่อนเราไม่เห็นกิเลสเราถูกกิเลสมันพาเบ็ดเลยเช่นโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ตัวว่าโกรธนะแต่เราก็ทําตามความโกรธพูดตามความโกรธอยากขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าอยากแต่ก็เข้าไปอยู่ในความอยากอยากแล้วมันต้องไปสนองมันต้องซื้อต้องกินต้องพูดต้องไปทําตามมันแต่เนะี่ย แต่พอภาวนาไปเรื่อยๆนะเห็นมันเห็นแล้วเหมือนเลือกได้ถ้าจะทําก็ดูว่าทำเพราะวมันจะเป็นต้องทําไม่ทําเพราะว่าดูเลยอันนี้มันมันแค่ตะกุะ่นดาวฤกษ์ไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่มีความอยากนะถ้าความอยากที่เป็นอะไรเป็นเหตุเนื่องด้วย ปัจจัยสี่ต่างๆมันก็ยังมีแล้วก็ทําด้วยความเป็นเป็นหนาวก็ไม่ใช่เป็นคนหนาวนะรู้ว่าหนาวก็หม่มผนะ้ารู้ว่าหิวก็กินข้าวรู้วไม่สบายก็พักผ่อนรักษ า, านะแต่ถ้าบางอย่างนะมันแค่เหมือนยังเบือ่อบางทีเราก็สนองมันเบือ่อแล้วนะฮหรือมันแค่อยากจะชิมเฉยนะที่จริงไม่ได้หิวหรอก แต่อยากจะคิมว่ามันเป็นแบบไหนเนะี่ย น, นี่คือมันจะรู้ว่าข้ออะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นนะอันนี้คือชีวิตมันจะเบาขึ้นโยมมันจะเราจะม่แบบต้องทาตามความคิดทาตามอารมณ์ทำตามอะไรต้นืู้ที่มันสั่งให้เราทําให้เราพูดให้เราคิดสารพัดเรื่องจิตมันจะเบามันจะสบายขึ้นนะอันนี้คือมันจะเห็นกิเลสได้ไวขึ้น มันจะเป็นอิสระจากกิเลสได้บ่อยขึ้นอันนี้คือตัวชี้วัดในการภาวนานะตัวชี้วัดในการภาวนาไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเนี่ยสงบได้ น, นานหรือวันหนึงเนี่ยจิตมันมันว่องว้ามันสบายได้นานหรือบ่อยไม่ใช่แนะแต่ตัวชี้วัดในการภาวนาคือเห็นกิเลสได้บ่อยไหมนะเห็น ร่างกายเป็นจิตใจได้บ่อยไหมเนีนะ่คือเรวจคิดว่าในากนนารภาวนาเนาะว่าเรามีสติมีสนาธิมากขึ้นนะรู้ถี่มันเกิดขึ้นได้บ่อยอันนี้คือพอเห็นแล้วมันครอบงมจิตใจได้มากมันแต่ก่อนไหมหลือมันครอบงำได้น้อยลงกนะันเนี่ยเราจะรู้รู้ได้เลววยว่าเรามาถูกทางละที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันก็ทําได้จริงเลยนะนะี่ ทำได้ตอนนี้เลยไม่ต้องรอว่าเราต้องบรรลุอะไรแต่ถ้าเราสติมีสมาธิตอนนี้ที่เราก็เราก็คล้ายคล้คุกน้อยลงนะจิตนะใจก็เรียกว่าไม่ถูกความคิดถูกอารามณ์คุกคอบงังนะได้ป่อยหมอนไป ก, ก่อนมันจะรู้สึกได้ในตัวของเราเองแลกก็เขฝากไว้